เรื่องให้อาบน้ำสามเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธภิกษุทั้งหลายจึงช่วยกันอาบน้ําให้ท่านท่านถึงแก่มรณภาพภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอบัติปาราชิกหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอคิดอย่างไรพวกข้าพระพุทธเจ้า ไม่มีความประสงค์จกฆ่าพระพุทธเจ้าฆ่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่มีความประสงค์จะฆ่าไม่ต้องอาบัดวงเล็บเรื่องที่42สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอ า, าพาธภิกษุทั้งหลายมีความประสงค์จกฆ่าจึงช่วยกันอาบน้ําให้ท่านท่านถึงแก่มรณภาพภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอาบัติปาราชิกหรือห no จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลแก่พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอคิดอย่างไรพวกข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จากข้าพระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอต้องอบัตรตาราชิบวงเล็บเรื่องที่43สามสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธภิกษุทั้งหลายมีความประสงค์จากข้า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 ภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่ต้องอบัติปาราชิกแต่ต้องอบัติทุลจัยวงเล็บเรื่องที่44